145รปวารณาสังคหะว่าด้วยการสงข้อกันด้วยปวารณาข้อ241สมัยนั้นภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยคบกันมาเข้าจบับบทษานะอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพรียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ยอมบรรลุผาสุกวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาได้มีการสนทนาดังนี้ว่า เมื่อพวกเราพร้อมเพียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ได้บรรลุภาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจะภาวนาในบัด น, นี้บางทีพิกษุทั้งหลายภาวนาแล้วจะพึงหลีบไปสู่ที่จาริกเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะเป็นผู้เฮินห่างภาสุวิหารธรรมนี้พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้สงฆ์ข้อกันด้วยภารณา ถ้าผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุหลายรูปเคยเห็นเคยควบกันมาเข้าจะบัญญานาอาวาสแห่งหนึ่งเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ย่อมบรรลุภาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าภิกษุทั้งหลายในที่นั้นสนทนากันว่าเมื่อพวกเราพร้อมเพียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ได้บรรลุภาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ถ้าพวกเราจักภาวณาในบด น, นี้บางทีภิกษุทั้งหลายภาวณาแล้วจะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกจะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจักเป็นผู้เงินห่างพาสูวิหารธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำการสงฆข้อกันด้วยภาวณาวิธีสงฆข้อกันด้วยปวาวณาและกรรมวาจาสงค์ขอกันด้วยภารณาภิกษุทั้งหลายก็แลพึง ทำการสงค์กันด้วยปรวรรณาอย่างนี้ภิกษุทุกรูปต้องประชุมในที่เดียวกันครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงรารโดยยติทุติยกรรมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ได้บรรลุพาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจัก ปรวรณาในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปรวรณาแล้วจะพึงหลีกไปสู่ที่จาริกจะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะเป็นผู้เฮินหหางพาสูวิหารธรรมนี้ถ้าสงพร้อมกนแล้วสงพึงทำการสงข้อกันด้วยปรวรนาบัดนี้สงพึงทำอุโบสถพึงยกปาทิโมขึ้นแสดงพึงปรวรนาในวันเพ็ญเดือน12องอันเป็นวันที่ครบสี่เดือนที่จะมาถึงเถิดนี่เป็นยติ ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นพร้อมเพียงร่วมใจกันไม่ทะเลาะ ก, กันอยู่ย่อมบรรลุภาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าพวกเราจักปรินนาในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปรินนาแล้วจะเพลิงหลีกไปสู่ที่จริกจะมีบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จักเป็นผู้เฮินห่างภาสุวิหารธรรมนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้ว สงพึงทําการสงเคราะห์กันด้วยปวรณาบัดนี้สงจกทําอุโบสถจกยกปาติโมกขึ้นแสดงจกปวรณาในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบสี่เดือนที่จะมาถึงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการที่ทําการสงเคราะห์กันด้วยปวรณาบัดนี้สงจะทําอุโบสถจกยกปาติโมกขึ้นแสดงจกปวรณาในวันเพ็ญเดือน12ออันเป็นวันที่ครบสี่เดือน ที่จะมาถึงทารูปนั้นพึงนิ่งทารูปใดไม่เห็นด้วยทารูปนั้นพึงทักท้วงการเลื่อนปรวรณาสงได้ทำแล้วบัดนี้สงจก์กะทำบูโบสถจากยกปาติโมขึ้นแสดงจากปรวรณาในวันเพ็ญเดือนสิองอันเป็นวันที่ครบสี่เดือนที่จะมาถึงสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องไม่มีใครเป็นใหญ่ในปรวรณา ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทําการสงเคราะห์กันด้วยปรวรณาแล้วถ้ามีภิกษุสักรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านทั้งหลายผมปรารถนาจะลีกจาริกไปยังชนบทเพราะผมมีธุระในชนบทภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าดีแล้วท่านท่านจงปรารถนาแล้วไปเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นปรวรณาอยู่งดปรวรณาของภิกษุรูปหนึ่งเสีย ภิกษุผู้ถูกงดปรวรรณาพึงกล่าวกับภิกษุผู้งดปรวรรณาว่าท่านท่านไม่เป็นใหญ่ในปรวรรณาของผมผมจะยังไม่ปรวรรณาก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นปรวรรณาอยู่ภิกษุรูปหนึ่งงดปรวรรณาของภิกษุนั้นเสียสงพึงสอบสวนทั้งสองฝ่ายแล้วปรับอาบัติตามธรรมภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นทําธุระจําเป็นในชนบทเสร็จแล้วกลับมายัางอาวาส นั้นอีกภายในวันเพ็ญเดือน12อันเป็นวันที่ครบสเดือนถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นปวารณาอยู่ภิกษุรูปหนึ่งงดปวารณาของภิกษุนั้นเสียภิกษุผู้ถูกห้ามปวารณาพึงกล่าวกับภิกษุผู้งดปวารณาว่าท่านท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของผมเพราะผมปวนารณาเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นปวนารณาอยู่ภิกษุนั้นงดปวนารณาของภิกษุรูปหนึ่ง สงพึงสอบสวนสืบสวนทั้งสองฝ่ายแล้วปรับอบัตตามธรรมประวรนาเถิดประวรนาขันธากาที่สจบ